ห้าตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะระลึกเข้าไปที่กายที่จิตเสมอจึงเรีย ก, กว่าสำรวม้าระลึกไปที่อื่น ไม่ชื่ว่าสำรวมกายสำรวมจิตการสำรวมนี่แหละในชื่อว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมตามธรรมดาจิตใจนี่มันคิดอ่านไปมาเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัด มันไม่หยุดอยู่ที่เก้าดัางนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วจึงมีสติธรรมญญะญนะควบคุมจิตนี้ไม่ให้คิดสายไปในที่ต่างๆความหมายของการภาวนาเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ว่ามันควบคุมจิตไม่ได้มันไม่อยู่ อย่างนี้มันในในว่ามันเข้าใจไม่ทราบซึ่งในเรื่องของจิตแ้วไปควบคุมความคิดอย่างเดียวไม่มีสติควบคุมความรู้สึกไม่เพ่งความรู้สึกอันนั้นมันจะไปหยุดคิดได้ยังไงอ่ะอมันต้องเพ่งเข้าไปหาความรู้สึกอือ เมื่อสติยังเข้าไปถึงความรู้สึกนั้นแล้วจิตนี้มันจะหยุดคิดลงทันทีให้สังเกตดูถ้าสติยังลอยๆโยยัยงเข้าถึงความรู้สึกนั้นไม่ได้จิตมันก็ยังคิดอยู่นะั่นแ่ะไม่คิดแรงกว่าคิดอ่อน แต่อย่างนั้นข้อในผู้ปฏิบัติธนามจะรู้เองนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตาัสว่าสตินี่เหมือนทำนบสำหรับกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปสู่ที่ตามให้มันไหลบา่าขึ้นไปใส่นาใส่สวนของบุคคลแต่ถ้าทำนกไม่แข็งแรงกระแสน้ำมันพุ่งเข้ามา กระทบเอ้ามันก็พังลงไปเพราะมันไม่แข็งแรงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อสติไม่แข็งแรงมันก็กั้นกระแสะจิตไว้ไม่ได้เพราะกระแสะจิตนี่มันมีตัณหาอาวิชชาเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องปั่นจิตให้คิด ให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิน้นสุดดังนั้นเราจึงต้องสร้างสติสมบัตญญนะนี่ขึ้นภายในวควบคุมจิตนี้ให้ได้เมื่ อ, อควบคุมจิตได้แล้วมันก็หยุดความคิดความนึกได้ขอให้เข้าใจ ถ้พูดอีกโดยสรุปแล้วก็ว่าตนและควบคุมตนเองนเพราะว่าจิตนั้นมันมีเป็นหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นสองเป็นสามเมื่อตนรู้ตอนเมื่อใดแล้วก็เป็นนั้นว่ายุติความคิดความนึกต่างๆได้เป็นอย่างนั้น ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญพระกรรมฐานนั้นนะถ้าเผอว่าจิตมันไม่โยควบคุมปลอบเป่าอย่างนี้มันมันคุมไม่ไหวก็จึงค่อยให้เพ่งกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์อืมถ้าจิตมันวันไหวไปด้วยกีเลศชนิดใดก็ต้องเจริญกรรมฐานชนิดนั้น เป็นเครื่องแก้กันอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าถ้าจิตมันถึกเหมิมมากมันดนนิ่นรนเพลิดเพลินเกินประมาณหมายถึงเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละเช่นนี้เราต้องนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์เช่นนี้ อาจจะเพลิดเพลินไปเอาอะไรในเมื่อความตายมันขวางหน้าอยู่โน่นจะดิ้นลนแสวงหาอะไรไปมันไม่ทันอิม่มในการแสวงหาในความต้องการอันนั้นมันก็มาตายเสียก่อนมันเป็นอย่างนี้แหละความชีวิตของมนุษย์เราเนี่นะ เยาวาตายจมอยู่ในน้ำแห่งตันหาสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติธรรมคนเป็นอย่างนั้นคนโบราณท่านเล่าให้ฟังไว้มีผู้เท่าคนหนึ่งเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายห่วงเงินทอง มากเกินไม่ตายสักทีทรมานอยู่นั่นแหละไปมาลูกหลานนึกได้เอาถุงเงินนั้นไปวางใส่หน้า อ, อกให้เพราะเงินตะก่นนั้นเป็นโลหะจริงๆอืมไม่ใช่เงินกระดาษเหมือนยังสมัยนี้เมื่อเอาถุงเงินไปวาง ใส่หน้าอกแล้วจึงค่อยม้อยไปเลยบบบนี้นะนั่นแหละไอ้จิตใจอันนี้นะถ้าไม่ฝึกขวนให้มีสติสมบัติเนญะควบคุมตัวเองอยู่แล้วปัญญามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่รู้ว่าการปล่อยจิตใจไปเช่นนั้นนะ่ะมันเป็นไปเพื่อทุก เพื่อโทษมันไม่รู้เลยนึกไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละทั้งที่ทำบุญทำทานอยู่ใส่บาตรจากพกไปถวายอาหารแก่พระสงฆ์ในวัดวาารามเป็นประจำอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ฝึกขนอบรมจิต ด, ดังนั้นเมื่อเวลาจะสิ้นชีวิต จิตใจมันยังไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่มันรักมันชอบใจก็มันไม่มีทางออกแต่ไหนแต่ไรมาจิตใจมันจะผูกพันอยู่อย่างนั้นนี่นะคนเรานะ่ะต้องระวังให้ดีการทำจิตให้สมาให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณนี่นะมันจึงเชื่อว่า เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากมายถึงแม้ว่ายังจะละกิเลสไม่หมดในชาตินี้แต่แล้วมันก็สามารถที่จะนำดวงจิตไ้ให้พ้นจากทุกในอบายภูิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้เพราะว่าจิตใจที่มีบุญคุณเป็นอารมณ์โยมันย่อมไม่ไปเกาะไปคล้องกับสิ่งใด พบุญคุณเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วทำใจให้เยือกเย็นสบายสงบเมื่อจิตใจสงบปีได้อย่างนี้มันจะไปห่วงอะไรเนะมันเป็นสุขอะ่ะมันสบายอะ่ะอันเนี้ยกานที่ไม่ทำใจให้สงบนั่นแหละใจมันเคยก่อเคยคล้องอยู่เลยก็เกาบค้องอยู่อย่างนั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนยืนเดินนั่งนอนจิตใจก็อยู่ด้วยอารมภายนอกไม่ได้อยู่ด้วยบุญคุณอันเป็นทรัพย์ภายในเช่นนั้นแหละมันจึงพ้นจากโลกนี้ไปไม่ได้เลยมันจึงคล่องอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันมีเปรตอยู่ถึงสามสิสองกัพวกนู่น นี่อันพูดถึงพิภพของแปดอันนี้นะเปรตมีอยู่สามสิบสองกรรมพวกลองคิดดูทำมไมยังมีมาก น, นั้นนะเพราะว่ากระแสจิตที่โน้มน้าวไปในทางชั่วนั้นมันต่างกันมันไม่ใช่อันเดียวกันมันทังนี้มันขึ้นอยู่กับ จิตนะโน้มไปในเรื่องชั่วเรื่องใดความชั่วคำชั่วนะั้นมันก็แต่งให้เป็นอย่างนั้ น, นอย่างเงี้ยใ้เรื่องกรรมนี่มันยุติธรรมมากทีเดียวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึางสอนให้สัมรวมจิตใมนมาตสวางจิตตลอดเวลาอย่าให้มันหลงไหลไปกาะไปคล้อง กับอะไรต่ออะไรอยู่นับตั้งแต่สิ่งแวดล้อมตัวเองออกไปทีเดียวแหละจนถึงวัตถุภายนอกต่างๆนี่เราต้องกาหนดรู้เท่าตามเป็นจริงว่าไม่ควรถือมั่นเลยสิ่งต่างๆในโลกนี้ถึงว่าถือมั่นได้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้เป็นทุกข์ เ, เปล่า ทำให้จิตวิญญาณคล่องอยู่ในโลกอันนี้นี้จากโลกอันนี้ไปไม่ได้เปน็นงั้นเพราะฉะนั้นแลวพระพุทธเจ้าจึงตรตัสไว้ว่าดูรังกะมังเอกจรังอส า, าริรังโกหะไสายังเยจิตังสัญเมตสันติโมกขันติมารบันธนา ปกติของจิตนี้มีดวงเดียวแต่เที่ยวไปไกลมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยบุคคลใดจกสำรวมจิตของตนให้ดีบุคคลนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารดังนี้พระพุธทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตนั่นมีดวงเดียวเท่านั้นเองนะอืม อันที่ว่ามันเที่ยวไปไกลนั่นน่ะพายเขาว่ามันส่งกระแสของตนไปทั่วพิภพนี้อย่างนั้นแต่ดวงจิตไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปมันอย่างไฟฟ้าอย่างนี้นะหลอดมันอยู่กับที่แต่เมื่อกดสวิตช์ไฟวิ่งเข้าไปในหลอดแล้วมันก็ส่งแสงกหว่างไปทั่วอ่าเป็นอย่างนั้น ใ้ทั่วบริเวณเท่าที่รัศมีของกำลังไฟฟ้าจะพึ่งส่องไปถึงเป็นงนั้นคันเมื่อกดสวิต์แล้วไฟมันก็ดับเข้ามาอยู่ที่หลอดนั้นแหละเป็นงนัันอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อรู้ว่าการทรงกระแสจิตไปในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นเครื่องข้อง อยู่ในโลกนี้อย่างนี้นะแล้วก็เพ่งสํารวมจิตไม่ให้คิดส่งไา่ไปให้ให้จิตมันเป็นหนึ่งอยู่ภายในจิตเดิมใจเดิมแทนมันเป็นหนึ่งแล้วมันเรื่มใสด้วยนี่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะอันที่มันเร้าหมองก็เพราะเหตุว่าตนเองนั่นแหละสร้างอุปกิเลสให้มา ครอบงาตัวของตัวเองจึงได้เศร้ามองขุนมัวเช่นเมื่อมันเกิดขึ้นมาทีแรกนะจะเป็นเด็กๆอยู่มันไม่ทันรู้เรียนสาอะไรมันก็มีความอยากน้อยมากอยากดูดนมอยากรับอยากนอนอยากกดอุตระปัสสาวะท่านั่นแหละแต่สิ่งอื่นมันยังนึกไม่ได้ เป็นอย่างนั้นแต่ครั้นเมื่อร่างกายมันเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นแล้วความอยากอันใดมันก็เกิดขึ้นในใจ ม, มันเป็นอย่างนั้นมันจึงได้จิตใจมิไใดนใน้เสร้หมองคุณมัวเพราะว่า พาไปเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็อยากได้รูปนั้นในเมื่อมันเป็นที่ชอบใจหูได้ฟังเสียงไพเรมันก็อยากฟังเสียงนั้นบ่อยๆ อ, อืมจมูกได้สูดกลิ่นหอมหวนมันก็ยินดีอยากจัดสูดกลิน่นอนั้นให้หอมอยู่เลยไปลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยอย่างนี้ก็ใจก็นึกแล้วแม้ถ้าเราได้ รับประทานอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันทุกวันไ ป, นไปเห็นจะดีเห็นจะมีร่างกายสมบูรณ์มันก็ติดรสชาติของอาหารนั้นแล้วอย่างนี้แหละส่วนทางร่างกายถ้าได้นั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มนิ่มก็พอใจติดใจอยู่ในที่นอนนั้น ไม่อยากพากไปที่ไหนอย่างนี้แหละไอ้การที่กิเลสจะเกิดขึ้นครอบงาจิตใจของบุคคลได้กระเพาะตนเองน่ะสร้างขึ้นโดยอาศัยตาเป็นต้นได้สัมผัสกับรูปต่างๆแล้วไม่รู้เท่าเมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็สร้างความยินดียินร้ายให้เกิดขึ้นมา มันก็ยึดถือเอาไว้ทั้งสองอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันยินร้ายมันก็ยึดเอาความไม่พอใจไว้ถ้ามันยินดีมันก็ยึดเอาความยินดีพอใจนั้นไว้เช่นนี้แหละใจจึงได้เศ้ามองคุณมัวดังนั้นผู้ปฏิบัตทิทาทั้งหลายจึงควรสำรวมจิตใจให้ดี อันตานั่นเราจะห้ามไม่เห็นไม่ให้เห็นรูปไม่ได้หรอกมันต้องเห็นเว้นเสียแต่นอนหลับเท่านั้นแหละหูจะห้ามไม่ให้ฟังเสียงก็ไม่ได้เจมูกห้ามไม่ให้สูด ก, กินก็ไม่ได้ลิ้นห้ามไม่ให้รับรสอาหารต่างๆก็ไม่ได้กายห้ามไม่ให้ถูกกล้องเย็นน้อนอ่อนแข้งก็ไม่ได้ มันธรรมชาติเป็นของคู่กันมาตั้งแต่เกิดมานู่นแหละดังนั้นทางที่ดีแล้วเราจึงมีสติควบคุมจิตนี่ไว้อย่าให้จิตมันหลงไหลไปเกาะไปคล้องเท่านั้นแหละเมื่อตาเห็นลูกก็สักว่าแต่เห็นหูได้ยินเสียงก็สักว่าแต่ได้ยิน จมูกได้สูดกลิ่นก็สักว่าแต่ได้สูดลิ้นได้รับรสอาหารก็สักว่าแต่ได้รับรสอาหารกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าความสัมผัสถูกต้องใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็สักแต่ว่ารู้อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่ใช่มันยังย่งยืนถาวร อ, อะไรเมื่อจิตมันเห็นอยู่อย่างนี้มันรู้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่เกาะไม่คล้องกับรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นเมื่อไม่คล้องอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่คล้องอยู่ในโลกนะถ้าปล่อยวางได้จริงๆนะอย่างนี้แหละถ้าหากว่า ผู้มีอินทรีย์อ่อนโยมมันจะคล้องอยู่ในรูปเสียงกิ่นรสบ้างก็ไม่ใช่คล้องสนิทที่ว่าจมไปจริงๆยังมีเวลาพิจารณาได้อยู่ก็เหมือนอย่างพวกทีดจำศีลภาวนาทำบุญดำทานชำระ ก, กายวาจายบริสุทธิ์แต่ยัง ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เต็มที่ไม่ได้แต่เพียงบริสุทธิ์จากบาปจากโทษเท่านั้นตายแล้วก็ยังไปเกิดสวรรค์อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าได้รูปร่างกายละเอียดเข้ากัวเกาไม่หยาบเหมือนเดิมเนี่ยอำนาจของบุญนะเปยงงั้นอันจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะ ก็เมื่อพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ใช่ของเราของเขาอะไรจิตตรงนี้มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองดูแต่ร่างกายนี่มันก็ยังจะแตกกระดับอยู่แล้วแล้วสิ่งอื่นนะ่ะจะเอาไปได้หรือแต่ร่างกายก็ยังเอาไปามไม่ได้แล้ว ก็ต้องมีอุบายสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อมีอุบายปัญญาสอนจิตจิตรู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็ถอยมันก็ไม่เกาะไม่คล้องเกาภาวนาทุกวันทุกคืนไปภาวนาคือสำรวมจิตรักษาจิตตรงนี้แหละไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโลกนี้นับแต่ร่างกายออกไปดังกล่าวมาแล้วนั่นแต่ว่าร่างกายนี้นะเมื่อหากว่ายัางละอาสวคกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้จริงๆเนะี่ยมันก็ต้องมียึดอยู่นั่นแหละอวิชชาความไม่รู้ส่วนละเอียดมันมีอยู่โมหะความหลงตัณหาส่วนละเอียดมันก็มีเ่ยมันเป็นเช่นนั้นมันก็ต้อง ยึดปลายเหตุนั่นน่ะมันถึงได้เกิดไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมก็เนื่องมาแต่ความรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันนั่นเองผู้ที่ท่านรู้เท่าเอาทันท่านพิจารณาเจริญธรรมถ่าอิปัสนาเสมอเสมอเห็นแล้วเห็นอีกรู้ยิ่งเห็นจริงในนามในรูปนี่สเมสเมอเสมอไปอย่างนี้ ก็สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งวิมุิคือหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้ไปอย่างนั้นให้เข้าใจอันจิตนี้เนะี่ะถึงมันจะไม่มีรูปร่างเป็นแต่ความรู้สึกเฉยๆนี่มันก็มีอนุภาพอยู่ในตัวไม่เช่นนั้นมันจะเดินเหิน ไปมาได้ยังไงร่รางกายอันนี้น้ำหนักมันตั้งห้าสิบกิโลหกสิบกิโลขึ้นไปอย่างนี้แหละมันยังสามารถทำให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวได้พอนึกคิดว่านั่งอยู่จะลุกขึ้นมันก็ลุกขึ้นได้อย่างนี้แหละแต่มันก็ต้องอาศัย กำลังใจกำลังกายประกอบกันด้วยนะเช่นเมื่อบุญกุศลแต่ผลหลังมาบำรุงร่างกายนี่พร้อมทั้งปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายนี่บำรุงคืออาหารการบริโภคบำรุงให้แข็งแรงอยู่เช่นนี้การลุกขึ้นนั่งลงเดินไป กระโดโดโรดเส้นอะไรต่ออะไรก็คล่องแค่วเรีมันเป็นงนั้นมันต้องอาศัยทั้งบุญหนหลังด้วยแล้วอาศัยการบำรุงในปัจจุบันนี้ด้วยหรืออาศัยการละความชั่วในปัจจุบันให้ทําดยความดีประกอบกันเข้ามันจึงแข็งแรงอยู่ได้ร่างกายอันนี้ถ้าบุคคลไม่ รักษากายว า, าจาอันเป็นปัจจุบันนี่ไปทำชั่วเข้าไปเช่นไปสูป่บุหรีมากมากไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชาเยะยายาฟินเฮโรอีนมากมากเข้าไปอย่างนี้นะออของเสพติดเหล่านี้มันมีพิษมันก็ไปทำลายอวัยวะน้อยใหญ่ภายในให้เสื่อมสภาพลง ท่านว่าเป็นโรคตับโรคปอดเป็นโรคไตโรคหัวใจโรคกระเพาะลำไส้อะไรหมดนี่นะมันก็เนื่องมาแต่ไปส่องเสพของเสพสิทธ์ทนี่แหละสําคัญมากแต่ลองคิดดูให้ดีอาหารการบริโภคอย่างอื่นถ้าหากว่ารู้จักเลือกเฟ้นว่าอาหารนี่มันถูกพลาดอาหารนี่ไม่ถูกพลาด อาหารอะไรไม่ไม่ถูกธาตก็อย่ารับประทานมันรับประทานแต่อาหารที่มันถูกธานหท่านอย่างนี้นะร่างกายมันก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนเท่าไหร่ดอกไอคนเราเนี่ยที่โรคภัคยไข้เจ็บเบียดเบียนก็มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งนั่นเป็นกรรมเวรที่ตนทามาแต่ชาติก่อนหนนหลังถ้าไม่ใช่กรรมเวรหนหนหลังตามมาสนองเอา มานก็โรคไข้ไข้ฉีบก็เกิดจากฤดูกาลอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดจากที่ตนรำโมบในอาหารไม่รู้จักเลือกอาหารที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่เป็นไม่คิดว่าจะชอบใจแล้วก็ว่าก็ลงไปเลยเมื่อทานอาหารลงไปแล้วก็ไม่ประเมินผลของมัน ว่าวันนี้เรารับประทานอาหารอย่างนี้อย่างนี้ร่างกายเป็นยังไงอ่ะสบายดีไหมหรือว่ามันเกิดท้องอืดท้องเพอ้อหรือปวดท้องอะไรไม่ได้ไม่ได้คำนวณไม่ได้สังเกตเลยอย่างนี้แหละหรือว่าสังเกตได้ก็ไม่ได้พิจารณาถึงอาหารคำบริโภคสังเกตก็ว่าแต่ตนปวดท้องเฉย ไม่ได้ทบทวนดูอาหารที่รับประทานเช่นนี้แล้วอาหารที่มันเป็นพิษมันก็ทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมลงมนั่นแหละเมืเกิดโรคเกิดภัยอันร้ายแรงต่างๆนี่หมอเขาก็วินิจฉัยแล้วของเสพติดไดโทษนี่แหละ มันเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยอันร้ายแรงมากทีเดียวนะดังนั้นเมื่อผู้ใดรักชีวิตของตนอยากจะรักษาชีวิตนี้ให้ยืนยาวนานต่อไปเพื่อได้สร้างบุญกุศลได้กระทําความดีได้ฝึกจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นในบุญในคนุณให้มีปัญญารู้เท่า สังขารร่างกายตามเป็นจริงจะได้พ้นจากทุกขภายในสงสารแล้วก็พึ่งปฏิบัติตามที่แนะนำนี้ให้ได้คือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแล้วก็ให้เลือกเป้นอาหารที่มันถูกกับธาตุอาหารอะไรที่มันไม่ถูกกับธาตุตนพิจารณาเห็นแล้วก็งดเฟ้นไม่รับประทาน ออย่างนี้แล้วสุขภาพของร่างกายก็จะดีไปเรื่อยๆไปถ้าไม่มีกรรมเวรหวหลังมาตัดรอนเช่นนี้มันก็จะอยู่ไปได้จนถึงอายุไขันั่นแหละถึงจะตายแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอย่างเช่นปฏิสังขาโยอัจฉมายาอะไรหมดนั่นนะ ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่เองเนี่ยสรุปแล้วว่าเพื่อต้องการรักษาชีวิตนี้ไว้แล้วจะได้สั่งสมบุญกุศลปฏิบัติธรรมอบรมจิตตัวเองนี่แหละให้สูงขึ้นไม่ไม่ให้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาสุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดันั้นคนที่ไม่ สันทัดกรณีดังกล่าวมานี่แล้วก็ละเลยเสียไม่สนใจไม่สนใจก็เอาละเพื่อไปส่งเสพของเสพติดจ น, นมากๆเข้าไปแล้วก็หน่อยก็โรคภัยร้ายแรงก็เบียดเบียนร่างกายเอาจิตนี่ก็พลอยเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามนะอย่างนี้มันจะตายเร็ ว, รวก็ไม่ตายนะ มันค่อยทำลายประสาทของร่างกายให้เสื่อมคุณภาพไปทีละน้อยละน้อยไปแล้วก็ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าไปโดยลำดับอย่างนี้ทีนี้เมื่อของที่มันแสลงกับผ้าขันนี่เข้าไปแล้วมันก็ไปอุด ตันเส้นเลือดมดนั้นไม่ให้เลือดลมเดินสะดวกเลือดลมไปข้างๆอยู่ตรงไหนมันก็ปวดเจ็บขึ้นตรงนั้นอ่าอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะทุกคนต้องเข้าใจรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายไว้ให้ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ยังทรงทรงสั่งสอนแต่ ทรงสั่งสอนให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกครั้งอน้าตาไม่ใช่ของเราก็ะชิงอยู่หรอกแต่ว่าดวงจิตนี่ได้อาศัยร่างกายนี่ประพฤติธทมปฏิบัติธรรมเรียกว่าอาศัยร่างกายนี่รักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่นะอาศัยกายวาจารักษากายวาจาให้บริสุทธิ์นี่ แล้วก็อาศัยทมจิตนี้ให้สงบระ ง, งับจากนิวรณ์ทั้งห้าการที่จะทำความเพียรทางใจได้อย่างนี้ก็เพราะมีร่างกายนี้เองให้คิดดูถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วก็ทำความเพียรอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อมาเกิดอาศัยร่างกายของมนุษย์ ก็อาศัยร่างกายของมนุษย์เนี่ยฝึกจิตฝึกใจอันนี้สำหรับผู้ไม่หลงไม่เมาผู้เห็นทุกข์ใครในสงสารถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็อาศัยร่างของเทวดานั่นแหละทำความเพียรฝึกจิตนี่ให้สงบระ ง, งับเจริญปัญญาอยู่ในร่างของเทวดาเป็นพรหมกับฝึกจิตใจอยู่ในความเป็นพรหม นั่นแหละนี่พวกนี้ฝึกจิตใจได้แต่ถ้าไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตอสุรกายสรดิฉานแล้วเช่นี้มันฝึกไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นสัตว์นรกก็ไปคอยแต่เสวยวีบากรรมของบาปกรรมมันนั้นอยู่นั่นได้รับแต่ทุกข์ทนทรมานอยู่แล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนมาทําจิตใจสงบระงับได้ ให้คิดดูให้ดีถ้าไปเป็นเปรตแล้วก็ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างไรอย่างหนึ่งอไม่ใช่ว่าเป็นเปรตแล้วมันไม่จะมีแต่มีความสุขอย่างเทวดาไม่มีแล้วคาว่าเป็นเปรตแล้วมันต้องมีร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ไม่ปกติมันเลได้เสวยทุกขเวทนาอยู่ดั่นละแต่ว่ามันเบากลัว สัตว์นรกเท่านั้นเองเนะี่ยพอเป็นอสุรกายแล้วก็เหมือนกันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมันก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นั่นทั้งไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรเลยเราก็รู้ๆกันอยู่สัตวเดรัจฉานนะมันก็เป็นทรัพยากรของมนุษย์เท่านั้นแหละมนุษย์ไปจะจับเอามันมาใช้สอยออให้มัน เพื่อให้มันรู้จักไหนารู้จักคลาดนารู้จักลากล้อลากเกวียนสมัยที่ใช่ล้อใช่เกวียนโยอย่างนี้นะก็อาศัยหัวควายเหล่านี้แหละเป็นพาหานะถ้าได้แหละสัตว์มันไม่มีปัญญาอะไรเลยดังนั้นพิจารณาให้มันละเอียดผู้ปฏิบัติธรรมนะ เมื่อพี่นาเห็นอย่างนี้นมันก็เบื่อหน่ายไม่อยากไปเกิด อ, ม เ, อเมื่อเมื่อเมื่อไม่อยากไปเกิดในอาบายภูมิทั้งสี่เช่นนั้นเราทายังไงบะนี้ก็ทํายังไงก็ละบาปสิพูดง่ายๆนะบาปนั่นแหละพาไปเกิดในาบายภูมิทั้งสี่จะ ต, ต้องละบาปอืมเมื่อละบาปได้แล้ว สร้างแต่บุญแต่กุศลบุญกุศลมันก็นำดวงกิจนี่ไปเกิดที่สุขสบายนี่แหละเมื่อเห็นทุกข์เห็นภัยในอวายภูมเชื่อพระปรญญาตรัสรูของพระเจ้าจริงๆว่านรกนั้นมีจริงสวรรค์มีจริงเปรตอสุรกายมีจริงแต่สัตว์เดา น, นี่เรารู้กันอยู่แล้วสัตว์เดานนมันก็อยู่ในทุกขติภูมิ ทั้งสี่นั่นแหละแต่ว่ามันเบาบางกลัวเพื่อนเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีไปเกิดที่ไหนก็จิตดวงเดียวนี่แหละความรู้สึกนึกคิดอันนี้เองเนะี่ยไม่ใช่อื่นไกลอะไรดังนั้นให้พึ่งภาวนาแ่งดูให้รู้ให้รู้จิตนี้ ไอ้จิตนี่มันเป็นธรรมชาติรู้อยู่ต่างหากนะนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้เท่าโรคสงสารอันนี้มันก็ยึดก็ถือมันก็มีความพอใจยินดีในโลกอนิวาิอันนี้ก็เป็นตัวกรรมนำให้เกิดอย่างนี้นะเมื่ออินทรียังไม่แ ก, กล้าทีแรกมันก็เกิดเป็น สัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในน้ําคลํามีท่านอาธิบายไว้ในตํารานะเพียงงั้นเกิดอยู่ในน้ําคลําแล้วอายุก็ไม่ยืนหนอนนึกก็ตายตายเกิดตายเกิดไปมานานเข้าอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปมันก็เลยกลายเกิดเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้แหละเป็นสัตว์พอปานกลาง เป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ก็คือช้างมันพัฒนาตัวเองนะให้เจริญขึ้นมาเรื่อยๆมาในที่สุดมันก็ได้เกิดมาเป็นคนเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเข้าไปแล้วเป็นอย่างนั้น เ, เกิดเป็นคนมาแล้วแตเป็นคนไม่มีสติปัญญา อยู่เสียตั้งนมนานเนะ่ากัวจะพัฒนาตัวเองให้คนมีให้เป็นคนมีสติปัญญารู้จักละความชั่วทาความดีได้เนีย่ยแตเมื่อเวลามันยังไม่มีปัญญามันก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างอ่ดูมันจะทำชั่วมากกว่าทำดีนะคนไม่มีปัญญาเนี่ยนะตายแล้วําชั่วมันก็นำไปเกิดที่ทุกข์ยากลาบาก เป็นอย่างนั้นสเสวยวิบากกรรมที่ตนทําอยู่ในนรกอบายภูมิไปหมดเขตแห่งบาป ก, กรรมในน ร, รกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตหมดเขตของเปรตแล้วก็มาเกิดเป็นอาสุรกายหมดเขตของอาสุรกายแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่บาป ก, กรรมเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงโดยลําดับอย่างนี้อที่บุคคลทําแต่ละ พังแต่ละคราวนะมันตามให้ผล้นจากตัดที่ได้ชานแล้วก็จึงได้เกิดมาเป็นคนอีกบาปเศษบาปยังไม่หมดก็มาเป็นคนขี่กระจอกงอกง่อยร่างกายไม่สมบูรณ์อยู่อย่างนั้นแหละแล้วตายเกิดเป็นคนทุกผลภาพอันนี้ก็หลายชาตินะท่านกล่าวไว้ จนกว่ า, วากรรมชั่วนั้นมันจะหมดอายุลงเมื่อใดหากว่าบุคคลนั้นได้ทํากรรมดีไว้กรรมดีนั้นก็าตามให้ผลก็ได้เกิดเป็นคนมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนฮนู่นน่ะลองคิดดูให้ดีกว่าว่าคนห น, หนึ่งจะได้เกิดมาเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอวัยวะร่างกายน้อ่ใหญ่ต่างๆ แล้วจิตใจก็ดีเป็นปกติได้อย่างนี้นะไม่ใช่ของง่ายนะต้องผ่านทุกมาอย่างโชคชลนนะ่ะเนื่องจากว่าบุญวาสนามันนนะ้อยนั่นเองแล้วหลงไหลไปทำบาปียมากกลัวมากก็เราจะสังเกตเห็นได้อย่างคนที่เกิดมาในปัจจุบันอย่างนี้นะไอ้พวกชาวนาะชาวสวน ก็มากจะไปเที่ยวล่าสัตว์ฆ่าจับสัตว์ที่เป็นมาค่าเป็นอาหารเลี้ยงกันมาจนเฒ่าจนแก่จนตายก็ยังละไม่ได้นะลองคิดดูอย่างนี้แหละผู้มีนิสัยชอบลักล่อชอ่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติอื่นมาเป็นของตนมาเรียกชีวิต แต่ยว่านิสัยเป็นโจรขโมยน่ะนะไว้ติดมาอา้าวมันก็มาเป็นโจรขโมยเบียดเบียนทับสมบัติผู้อื่นเลี้ยงชีพยอยู่นั่นเนี่ยหน่อยเจ้าหน้าที่จับได้พองศาลศาลตัดสินติดคุกติ ด, ต, ด, ต, ดตารางอ่พอออกจากคุกจากตารางมาแล้วไม่รู้อไปทํามาหากินอะไรไม่มีปัญญาก็ไปลักไปช่อไปโกงเขามากินอย่างว่านั่นเนี่ เดี๋ยวก็ไปนอนอยู่ตารางอีกแล้วเป็นอย่างนี้เนะี่ยอันบุคคลที่อินทรีย์ยังไม่แข็งกล้านะไม่มีปัญญาที่จะหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบได้มันก็ในประสบความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปถ้าไม่เป็นเช่นนี้พระศาสดาก็ไม่สอนให้ละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ย ก็พ่อพระ อ, องค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญาอัน ย, านยิ่งแล้วก็ผู้ใดไปเบียดเวียนบุคคลอื่นชัดอื่นให้เป็นทุกข์เช่นนั้นมันเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้แล้วรู้รอดกว่ามันจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นนานแสนน า, น, น, า น, น, นเลยอย่างนี้นะเอาพิจารณาให้ดีอันผู้ใดรู้ตัวได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ รู้ตัวได้ตั้งจิตเจตนาวิรัติละเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเหล่านี้ความเจริญแห่งชีวิตมันก็ย่อมเกิดมีมีชีวิตอายุยั่งยืนนานเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ได้โพครับโพค้าสมบัติอันใดมาด้วยบุญด้วยวาสนาแต่หนหลังบังหาเอาในปัจจุบันบ้าง ก็ไม่มีใครมาช่อมาโกงมาลักมาจี้มาป้นเอาเพราะแต่ก่อนตนไม่ได้ทำเหตุอย่างนี้ไว้มีผู้มีเมียมาผูวเมียก็จงรักภักดีต่อกันซื้อสัต์ต่อกันไม่ประพฤติผิดประเวณีไปทำชู้จากผัจากเมียต่อกันและกัน ทั้งนี้ก็พพราะใชาติก่อนไม่ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้คนหลายใจดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นอย่างนั้นบางคนนะ่ะเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถ่มากในกรรมมีเมียหนึ่งผัวหนึ่งแล้วก็ไม่พอใจอยากได้สองได้สามไปเป็นอย่างนั้นกรรมนั้นมันจึงได้ตกแต่งให้ เกิดไปชาติใดมีพ่อมีเมีย ม, ม, ม, มีลูกมาก็ไม่ฟังท่อยฟังคำประพฤติผิดใจกรรมเลื่อยไปจนทะเลวิวาทกันอย่าร้างกันไปเยอะแย ะ, ยะอ้าวคนบางคนมีนิสัยชอบกล่าววาจากโกหกพกลมเรียกว่าพูดไม่คดีนั่นแหละนอกจากพูดโกหกหลอกลวง คนอื่นด้วยวาจาอันไม่จริงไม่จังแล้วก็ยังไปพูดยุยงให้คนอื่นทะเลาะวิวาทกันแตกคำวิริเวีกันแล้วยังไม่พอนายังไปพูดคำหยาบต่อบุคคลอื่นและตัดอื่นเมื่อตอนโกรธขึ้นมาโกรธ ด, ด่าก็แช่งเพื่อนนี่คนหัวโบราณชอบ เมื่อแก่อายุมากมาแล้วถ้าโกรธให้ลูกให้หลานเช่นนี้หรือโกรธให้ผู้อื่นก็ตามเอานะกูจะสาบแช่งมึงนะอย่างนี้แหละแล้วก็กล่าวคําสาบแช่งมีหยาดน้ําพร้อมไหมหลังน้ําพร้อมเออคนพวกนี้นะอย่าให้มันมีความสุขความเจริญเลยต่อไป นับตั้งแต่ปัจจุบันนี้แหละไปไอ้มันเป็นทุกข์เกิดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ว่าพรฒ น, นาไปเลยถึงความเติอมแห่งชีวิตอันไปอย่างนั้นนะถือว่าเป็นถือว่าไม่ผิดไม่เป็นบาปเป็นโทษนึกว่าคำสาปแช่งของตนนะ่ะมันจะไปถูกคนที่ตนเกลียดชังโน้นนึกว่าจะไม่มาถึงตนไม่ถูกตนนะ่ะ เข้าใจผิดไปเฮนะ้ไอต้ตนกล่าวว่าจะยาป้นอย่างนั้นนะมันก็เป็นบาปเป็นโทษแก่ตัวเองเลยบางทีมันก็เลยไม่ไปถูกคนอื่นซ้านะเพราะคนอื่นทําทบางทีเขาทาดีสูงเกินไปอย่างเงี้ยไอ้คำสับแช้งเหล่านั้นก็ตามไม่ทันเลยไม่ได้อย่างนี้แหละแต่ถ้าบางคนมี ได้ต่ำมีบุญน้อยอาจถูกคสาสาปแชงของคนอื่นได้เหมือนกันนะเคยมีอยู่เหมือนกันเนะี่ยอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้ทําความดีให้สูงเข้าไว้เมื่อตนมีคุณความดีอยู่ในตัวแล้วไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นและตัดอื่นคนอื่นจะมารังเกียจรังแกสาปแช่งยังไงอย่างนี้มันก็ไม่ ถูกหรอกในเมื่อตอนมีคุณความดีเป็นเครื่องอยู่อยู่แล้วเราไม่ต้องไปโกรธตอบไม่ต้องสาบแช่งด่าตอบมันมันเป็นความมัวหมองของตัวเองเปล่าๆ ป, ปล่อยให้ผู้มีจิตชั่วนั้นทำไปพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีตามอารมณ์ของเขา เมื่อผลแห่งกรรมชั่วมันอำนวยให้เมื่อใดเขาได้รับทุกขเวทนาแล้วนี่เขาจะได้รู้ตัวเองอแต่บางคนก็ไม่รู้เช่นอย่างว่าเกิดมาชาตินี้เนะมีแต่คนรังเกียจรังแกมีแต่คนด่าว่าเสียดสีอะไรท้ออะไรหาความสบายใจไม่ได้เลยอย่างนี้นะมันก็ได้นึกโทษแต่คนอื่นนั่นแนะ่ะ ว่าเขาด่าดตนเขาสาบแช่งตนอย่างน้นอย่างนี้ปไปโกรธให้เขาแต่ถ้าหากว่าผู้ใดที่นับถือว่าพุธศาสนาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอะมานึกทบทวนดูเอ๊ะปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้แสดงกิริยากายวาจาหยาบโรนต่อบุคคลผู้นี้มาในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทำไม่ ได้เป็นอย่างนั้นว่าอย่างกระทบกระทั่งกันก็เพียงเรียกน้อยแต่เขาก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เช่นนี้ฉลอยว่าแต่าชาติก่อนเราต้องได้ด่าได้แช่งเขามาอได้สแสดงกิริยากายวาจาหยาบคายต่อเขาแล้วกรรมเวรนั้นมันก็ตามมาสนองเอาผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นะมันก็อดทนนะ่ะไม่ตอบไม่โต้เลย เอาให้เขาด่าว่าเสียดสีไปแค่ฝ่ายเดียวมันจะตาบจะแช่งอะไรก็แล้วแต่อันเมื่อเราทำคุณงามความดีสูงึ้นไปแล้วคำตาบแช่งนั้นตามไม่ทันหรอกเป็นโหสีิกรรมไปเลยไปอย่างนั้นดังนั้นแหละทุกคนนะจึงต้องพิจารณาดูให้มันถี่ทวนจริงจังลงไปในชีวิตอันนี้นะ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะท่งสั่งสอนในคนเรานั้นมาวินิจฉัยชีวิตคือความเป็นอยู่ของตัวเองนี่นะแต่ลําพังตนเองแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะวินิจฉัยเลยวินิจฉัยไม่ค่ได้ได้กัดเตียงนิดนิดหน่อยหนเท่านั้นแหละมันจะละเอียดเข้าไปกว่า น, นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะการฝึกฝอนปฏิบัติธรรมการ จะเป็นสมถะวิพัฒนานี้นะจึงได้เชื่อว่าเป็นการทำละจิตใจดวงนี้แหละให้หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายเมื่อใจดวงนี้สะอาดแล้วกายวาจามก็สะอาดไปตามกันแต่อย่างนั้นอันนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้มีดวงเดียว แต่มันเที่ยวไปไกลมีถ้าคือร่างกายเป็นที่อาศัยอผู้ใดจักสํารวมจิตนี้ให้ดีผู้นั้นจกักพ้นจากบ่วงแห่งมานนี่ก็ให้พึ่งเข้าใจว่าจิตนี่มันอาศัยอยู่ในร่างกายแต่อาศัยอยู่ในหาไทยวัตถุนี้ไอ้ส่วนที่มีความรู้ทั่วไปในร่างกายแล้วนะ อันนั้นท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุมันเกิดจากดวงจิตตรงนี้แหละอ่าเมื่อมีจิตตรงนี้เข้ามาอาศัยร่างอันนี้แล้วมันก็แผ่อาการของโนออกไปอเป็นจักรุวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณหิวหาวิญญาณกายะวิญญาณนี่นะ มีวิญญาณอันนี้ประจําอยู่ทั่วภายในร่างกายนี่นะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อร่างกายนี่มันวิบัตรแริแปรปวนไปแล้วมันวิบัติมากๆเข้าไปแล้วธาตุลมก็อ่อนลงไปธาตุไฟก็อ่อนอย่างนี้นะธาตุน้ําก็เหลวไหลวิบัติไปไม่ปกติเช่นนี้แล้ว อันวิญญาณก็อาศัยอยู่ในตาเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้ถ้ามันเสียมาว่างทีมันก็ดับตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจมูกก็ไม่ได้รู้สึกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นก็ไม่รู้รสชาติของอาหารอะไรเลยกายก็ไม่รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเมื่อจิตนี้ยังไม่ออกจากร่าง มันก็มารู้อยู่แต่จิตเท่านี้เองน ะ, ะรู้แต่จิตจิตรู้จิตหมายความว่าอย่างนั้นแหละรู้รู้ว่าตนจะตายนี่แหละบุคคลผู้มีอุปท า, านมากเนละพอรู้ว่าตนจะตายแลวมันทุกข์มันโศกมันเสียใจพิไรลาพันธ์อยู่ภายในมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผู้ใดได้ภาวนาได้ เพื่กิจใจนีให้สงบสงับเจริญปัญญาเห็นแจ้งในนามในรูปที่ดวงจิตมาอาศัยอยู่นี่ตามเป็นจริงแล้วเวลามันจะแตกกระดับมานี้จิตมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนันก็มีสติประคองความรู้สึกอันนี้ไว้อยู่ในท่ามกลางอกนั่นแหละหรืออยู่ในหัวใจนั่นก็ว่าได้ มันก็รวมเข้ามาหาหัวใจนั่นเนี่ยวิญญาณทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเจตสิกก ร, รรมทั้งหลายมันก็ดับมาดับมาดับเข้าไปนั่นแหละเมื่อคาทยวัตถุนั้นจิตอาศัยไม่ได้แล้วหมดเขตแล้วจิตนี้ก็ถอนออกจากหาทยวัตถุนั้นนามธรรมมันก็ดับนามธรรมนั้นเรียกว่ามันดับไปก่อนก่อนแล้ว ดังนั้นจิตนี้จึงถอนตัวออกทีหลังมัเนี้แต่ท่านพูดสิ้นอาสวะแล้วไม่มีการไปการมาเรียกว่าจบสิ้นกันลงเท่านั้นเองเนะ่จิตนี้ก็กลายเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพาให้ไปโน่นพาให้มานี้ในพบน้อยพบใหญ่ต่างๆไม่มีอ่าเปอย่างนั้น ถ้าพวกนายยังมีกิเลสมีอุปทานอยู่เนี่ยอุปทานนี่นเป็นตัวกรรมมเนี่ยถ้านำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใจตามกรรมที่ทำดีหรือชั่วนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นอันวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยขอให้พิจารณาให้ดีทำยังไงกิเลสมันจะน้อยเบาบางลงไปก็ต้องฝึกเข้าไปให้มัน เต็มที่เลยอย่าไปเห็นแก่ดับแกนอนอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินให้รู้จักรักษาสุขภาพของร่างกายนี่ให้ดีดางที่แนะนำมาแล้วนั่นแหละอย่าไปซ่องเศษของเศษติดเข้ามาทำลายอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเสื่อมคุณภาพลงไปแล้วจะไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม ต่อไปดังแสดงมา